วาจาอนัทถะปัฐะสันหิตาเอกังอัฏฐะปัฏังใสยังยังสุตวาอุปสัมมติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ใจบทที่เป็นประโยชน์บทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงรับได้ประเสริฐกว่า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 นายผู้นี้เป็นคนดีมีอุปการะแก่พวกเราขอท่านจงสงเคราะห์เขาเถิดได้ให้หัวหน้าโจรรับไว้แล้วในภายหลังวันหนึ่งพวกชาวเมืองร่วมกันกับราชบุรุษจับโจรเหล่านั้นได้จึงนำไปสู่สำนักของพวกอมารผู้วินิจฉัยคดีทั้งหลายพวกอมารสั่งบังคับ การตัดสีศักของโจเหล่านั้นด้วยขวานลำดับนั้นชาวเมืองปรึกษากันว่าใครน้อแลจะฆ่าโจเหล่านี้แสวงหาอยู่ก็ไม่เห็นใครๆผู้ปรารถนาเพื่อจะฆ่าโจเหล่านั้นจึงพูดกับหัวนหน้าโจว่าเอาละถ้าท่านฆ่าโจเหล่านี้แล้วจะได้ทั้งชีวิตได้ทั้งความนับถือทีเดียว ท่านจงฆ่าโจรเหล่านั้นซะแม้หัวหน้าโจรนั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าเพราะความที่พวกโจรนั้นอาศัยตนอยู่แล้วพวกชาวเมืองจึงถามโจรทั้ง459คนโดยอุบายนี้แม้โจรทั้งหมดนั้นก็ไม่ปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันพวกชาวเมืองจึงถามนายตำพระธาที่กะ คือในคราวแดงผู้มีตาเหลือกเหลืองนั้นในลำดับสุดท้ายของโจรทั้งหมดในตำพระธาที่กะคือในคราวแดงนั้นได้รับคําของพวกอมารแล้วฆ่าโจรทั้งหมดได้ทั้งชีวิตได้ทั้งความนับถือด้วยตอนเพชรฆาตออกจากตำแหน่งในเวลาแก่พวกชาวเมืองนำโจรห้าร้อยคนมาแล้ว แม้จากทิศทักษิณแห่งเมืองแล้วแสดงแก่พวกอมาร์โดยอุบายนั้นเมื่อพวกอมาร์นั้นสั่งบังคับให้ตัดสีษะโจรเหล่านั้นจึงถามตั้งแต่หัวหน้าโจรเป็นต้นไปไม่เห็นใครผู้ปรารถนาจะฆ่าพวกเดียวกันจึงถามว่าในวันก่อนบุรุษคนหนึ่งฆ่าโจรห้าร้อยคนแล้วบุรุษนั้น อยู่ที่ไหนน้อนแลเมื่อชนทั้งหลายต่อบ่าพวกข้าพเจ้าเห็นเขาแล้วในที่ชื่อโนทนจึงให้เรียกเขาแล้วสั่งบังคับว่าท่านจงฆ่าโจรเหล่านี้แล้วท่านจะได้รับความนับถือนายตําพัตตาทิกะคือในาราวแดงนั้นรับคําแล้วจึงฆ่าโจรเหล่านั้นได้รับความนับถือด้วย ครังนั้นชาเมืองเหล่านั้นจึงปรึกษากันว่าบุรุษคนนี้ดีพวกเราจะทำเขาให้เป็นคนฆ่าโจรโดยประจำทีเดียวดังนี้แล้วจึงให้ตำแหน่งนั้นกับเขากระทําทความนับถือแล้วนายตัมพตาธิกะคือบุรุษกราวแดงนั้นฆ่าโจรกราวละห้าร้อยห้ารซึ่งเขานำมาแต่ทย์ประจิมบ้าง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 มาสู่เรือนนั่งแล้วที่นั้นชนทั้งหลายวางยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่ข้างหน้าของเขาแล้วนำน้ำสำหรับล้างมือมาตอนนายคราวแดงทำบุญแก่พระสารีบุตรในขณะนั้นท่านพระสารีบุตรเตระออกจากสมาบัติ พิจารณาทางเที่ยวพิกษาของตนว่าวันนี้เราควรไปที่ไหนน้อแลเห็นยากูเจอน้ำน ม, มในเรือนของนายคราวแดงนั้นจึงใคร่กลววว่าบุรุษผู้นั้นจะทำการสงเคราะห์แก่เราหรือนอแลได้รู้ว่าเขาเห็นเราแล้วจะทำการสงเคราะห์แก่เราก็าแลกลบุตรผู้นี้ ครั้นกระทำแล้วจะได้สมบัติอันใหญ่ดังนี้แล้วจึงห่มจีวรถือบาทแสดงตนยืนอยู่ที่ประตูรเรือนของนายคราวแดงนั้นนั่นแหละนายคราวแดงนั้นพอเห็นพระเทระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าก็เรากระทำโจรฆ่าตกรรมคือการฆ่าโจรมานาน เราฆ่ามนุษย์เสียเป็นอันมากบัด น, นี้ในเรือนของเราตกแต่งยาคูเสื้อน้นมเอาไว้และพระเทระก็มายืนอยู่หน้าประตูรเรือนของเราเราถวายทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าเสียในเวลานี้จึงจะควรดังนี้แล้วจึงนาข้าวยาคูที่วางไว้ข้างหน้าออกไปแล้วเข้าไปหาพระเทระ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 สินกรณนานพระเทระรู้อัตยาสัยของในตยตำพระตาทิกะคือในาคราวแดงนั้นจึงพูดกับเขาว่าอุบาสกท่านจงดื่มยากูของตนเถิดนาคราวแดงนั้นจึงให้พัดในมือแก่ผู้อื่นแล้วดื่มยากู่่เองท่านพระสารีบุตรเทระจึงพูดกับบุรุษผู้พัดนั้นว่า ท่านจงไปจงพัดอุบาสกคราวแดงนั้นเถิดบุรุษคราวแดงอันบุรุษนั้นพัดอยู่ดื่มยาคู่เต็มท้องแล้วก็ไม่ทาหน้าที่ยืนพัดพระเทระได้รับบาตของพระเทระผู้ทำพัตกิจเสร็จแล้วพระเทระจึงเริ่มอนุโมทนาแก่เขาแล้วเขาไม่อาจกระทาจิตของตน ให้ไปตามธรรมเทศนาของพระเทระได้พระเทระสังเกตได้จึงถามว่าอุบาสกเหตุไบท่านจึงไม่อาจทําจิตไปตามธรรมเทศนาได้นายคราวแดงท่านผู้เชิญข้าพเจ้าทํากรรมหยาบช้ามาสิ้นกาลนานมนุษย์เป็นนั้นมากถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้ามัวรลึกถึงกรรมของตนนั้นอยู่ จึงไม่อาจทำจิตให้ไปตามธรรมเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าได้ท่านพระสารีบุตรเทระมีความคิดว่าเราจะลวงบุุษนั้นจึงได้พูดว่าก็ท่านได้กระทำตามชอบใจของตนหรือถูกคนอื่นให้กระทำเล่าในคราวแดงท่านผู้เริญพระราชาให้ข้าพระเจ้ากระทำ พระเถระอุบาสกเมื่อเป็นเช่นนั้นอกุโสลธรรมจะมีแก่ท่านได้อย่างไรเนาะ อ, อุบาสกนั้นเป็นคนธาตุทึบคือมีปกติทึบถูกพระเถระกล่าวอย่างนั้นก็มีความสําคัญว่าอากุศลธรรมไม่ได้มีแก่เราจึงกล่าวว่าท่านผู้เริญถ้าอย่างนั้นขอท่านจงกล่าวทำต่อไปเถิด บาสกนั้นเมื่อพระเทระทำอนุโมทนาอยู่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งฟังทำอยู่ทำขันติเป็นไปโดยอนุโลมแก่อริยสั์ได้ทำโซดาปฏิมักให้บังเกิดขึ้นแล้วแม้พระเทระกระทำอนุโมทนาแล้วก็หลีกไปในขณะที่อุบาสกผู้ตามส่งพระเทระ ได้ไปหน่อยหนึ่งกําลังเดินกลับนางเย็กีนีตนหนึ่งมาแล้วด้วยเพศแห่งแม่โคโนมคือแปลงกายมาเป็นแม่โคโนมขวิดที่อกอุบาสกนั้นให้ตายแล้วอุบาสกนั้นกระทําการละแล้วก็บังเกิดในดุสิตภพตอนกาลยานามิตรเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต พิสุทั้งหลายสนทนากันในรงธรรมว่าบุรุษผู้ฆ่าโจรกระทำกรรมหยาบช้าสิ้นห5หปีพ้นจากกรรมนั้นในวันนี้นี่แลถวายพิษาแก่พระเทระก็ในวันนี้เหมือนกันกระทำกาละก็ในวันนี้นั่นแลเขาเบิงเกิดที่ไหนนอแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าพิสุทั้งหลาย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 บุรุษผู้ฆ่าโจรในเมืองฟังคำเป็นสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกชั้นไตรทิพย่อมบันเทิงใจหนังนี้ข้าแต่พรุ่งพผู้เจริญก็ธรรมดาอนุโมทนากาถาไม่มีกำลังบุรุษนั้นกระทำอกุศลธรรมไม่มากเขายัางคุณวิเศษให้เบ่นเกิดด้วยเหตุเท่านั้น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 ธรรมดาคาเหล่านั้นคําว่าสห ส, สัมมาปิแปลว่าแม้ตั้งพันเป็นคําสำหรับกำหนดอธิบายว่าแม้หากว่าวาจาเขากำหนดด้วยพันอย่างนี้คือ 1,000 งพันสองันไซก็วาจาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์คือประกอบด้วยบททั้งหลายที่ไม่เป็นประโยชน์